เอาต่อไปก็ศึกษาพระธรรมต่อในช่วงบ่ายนะช่วงเย็นละก็ยังศึกษาความเป็นไปของสังสารวัตแล้วก็เชื่อมโยงกับพุทธคุณจริงๆก็ดูพุทธคุณเพจะเห็นสังสารวัตันี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของเวทนาสามคคือสุขเวทนาดุขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาในเวทนาสามก็มีตามว่าผัสสะหารนะ กวริงกะาหารนําอะไรมาให้ก็คือว่ากาวริงกะาหารภาษาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหารในอาหารสี่อย่างกวริงกะาหารชื่อว่าห า, พานพอนามาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่แปดโอชัตถะมักะรูปรูปที่มีโอชาเป็นที่แปดนี่จาบาลีไม่ ไ, ได้ภาษานี่ชื่อว่าหานําเวทนาสามมาให้ถามว่าภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาษานั้นเกิดในทางทวารทั้งหกใช่ไหม ภาษาเกิดในจักขคูทวานโสตทวานคานทวานชิวหาทวานกายทวารและก็มโนทวานในภาษาที่เกิดทางทวานนั่นทกเนี่ยภาษาในแต่ละทวานําเวทนาสามมาให้หมดเลยภาษาที่เกิดในจักขุทวานก็นําเวทนาสามมาให้จักรคูภาษาที่เกิดในโสตทวานคานทวานชิวหาทวานและกายยะทวานเป็นต้นเหล่านี้ รวนนำเวทนาสามมาให้เวทนาสามคูณกัทะวานหกจึงเป็นเวทนาสิบแปดเวทนาที่เกิดภายในขันตรงตนเองเป็นสิบปดเนาะที่เกิดในขันของบุคคลอื่นพะหิระขันภายนอกอีกสิบแปดรวมเป็นเวทนาสาสิหเวทนาที่เป็นปัจจุบันสาสิบหที่เป็นอดีตส6สหกที่เป็นอนาคตสามสหกยังกลายเป็นเวทนาร้อยแปด โดยอาการอย่างนี้และเวทนาร้อยแปดนะฉะนั้นทำไมต้องรอบรู้เวทนาขนาดนั้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาฉะนั้นเมื่อเวทนาเป็นปจนัจจัยแก่ตัณหาจึงต้องรอบรู้เวทนาทุกเวทนาที่เป็นไปกับทวารเหล่านั้นในเวทนาเหล่านั้นมีผัสสะเป็นตัวเชื่อมให้ นั Yin, ้นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขก็เป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่ทุกขเวทนาภาษาภาษาที่เป็นปัจจัยแก่อเวขาก็เป็นที่ตั้งของอเวขาเวทนาเห็นไหมตรงนี้จึงจะได้เห็นว่าการนํามาเนี่ยภาษะนําทุกมาให้เพราะตัวภาษาก็เป็นตัวสังสารวัตรจริงไหมตัวเวทนาก็เป็นตัวสังสารวัตรทีนี้ ถ้าเรามาดูว่าเวทนาเป็นต e ัวสังสารวัตรในส่วนของวิบากภาษาเป็นสังสารวัตรในส่วนของวิบากอายตนะหกอัจฉติกายตนะหกก็เป็นส่วนของสังสารวัตรที่เป็นไปในส่วนของวิบากนามรูปก็เป็นวิบากวิญญาณก็เป็นวิบากเห็นมในส่วนของวิญญาณนามรูปสารายตนะภัษาเวทนาห้าส่วนนี้เป็นวิบาก แต่เป็นตัวสังสารวัตรที่เป็นวิบากที่เกิดมาจากตัวสังขารคือเจตนากรรมในดิดทั้งนั้นเลือจะพูดไปเวทนานั้นก็เป็นสังขารเป็นไปในส่วนของกรรมใช่ไหมเป็นตัวของกรรมตัวเจตตัวสังขารนี่เป็นไปนในส่วนของมโนเนียมโนสัญเจตนาหานั่นเองที่จริงตัวมโนสัญเจตนาหารนี่เขานำอะไรเขานำปฏิสุทธิวิญญาณ เขานำปฏิสัณฑที่วิญญาณใช่ไหมเพราะนำปฏิสนธฑที่ในภพสามมาให้ไม่ใช่ปฏิสนธฑที่วิญญาณอย่างเดียวเป็นปฏิสัณฑ์นามรูปด้วยเราก็จะเห็นว่าอ๋อตั ว, ต, วตัวกรรมนี่ก็เป็นตัวสังสาราวัตรตัววิบากก็เป็นตัวสังสาราวัตรตัวอวิชาก็เป็นตัวสังสารวัตรแต่จะเป็นสังสาราวัตรในส่วนของกิเลสสังสาราวัตรในส่วนของตัวกรรมสังสาราวัตรในเนส่วนของวิบากสรุปก็คือว่ากิเลสกรรมวิบาก ใช่ไหมที่ไปบอกว่าเป็นวตตะสามมันวนอย่างนี้แต่แท้ที่จริงสรุปแล้วก็คืออันนี้คือเป็นเรื่องของความเป็นไปของขันธาตุอยายตนะที่มันกําลังเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายวัตตะเหล่านี้มันเดินแล้วมันไม่ขาดเพราะมันเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันอย่างนี้ดังที่ได้กล่าวเขห็นไหมเห็นความเกิดขึ้นสืบต่อกันของสังสารวัฏที่เป็นไปในส่วนของขัน สังสารวัตที่เป็นไปในส่วนของขันนี้เขาเรียกว่าสังขารละขันหรือสังขารลโลกมันกําลังเป็นไปอยู่ไอ้สังขารละโลกที่กําลังเป็นไปอยู่เนี่ยอาศัยเมื่อการประชุมกันของสังขารลโลกที่เป็นไปของส่วนของขันธาตุยานตนะกำลังดำเนินไปอยู่นั้นน่ะความสมมุติว่าสัตว์บุคคลหญิงชายจึงเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสัตว์ตวโลก และสังขารลโลกเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีภาชนะโลกภาชนะโลกก็คือภพคือภูมิต่างๆโดยสรุปว่าโลกสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปในส่วนของสังขารลโลกสัตว์โลกแล้วก็โอกาสโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงเป็นไปกันด้วยอาการอย่างนี้พระบรมศาสดานั้นทรงแทงตลอดทั้งสังขารที่เป็นกิเลสสังขารที่เป็นกรรมสังขารที่เป็นวิบาก สังขารที่เป็นสัตว์บุคคลสังขารที่เป็นภาชนะโลกที่เป็นโอกาสโลกพระองค์เห็นทั้งเหตุเกิดเห็นทั้งโลกเห็นทั้งเหตุเกิดของโลกเห็นทั้งความดับของโลกเห็นทั้งข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของโลกเห็นทั้งตัวสังสารวัตรเห็นทั้งเหตุของสังสารวัตรเห็นทั้งความดับของสังสารวัตเห็นทั้งข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปของสังสารวัตจะพูดในส่วนของปุกาลาทิฏฐานหรือธรรมมาทิฏฐาน เห็นอย่างตอนนี่ย น, นี่โลกวิทูนี่แหละสังสารวัฏเห็นโลกวิทูแบบนี้ใช่ไหมตัวโลกวิทูฮะรู้แจ้งโลกเนี่ยพยานของพระเจ้านะมาเห็นสังสารวัฏแบบนี้คือเห็นโลกเห็นความเป็นไปของโลกสามมองออกแล้วทีนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่ากาวริงกาลาหาน ขัดสาอ า, าหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอะไรนำกรวริงกากวริงกรอาหารเนี่ยนะนำอะไรมานำโอชานำดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุนำอวิธิโพคข้รูปแปดในส่วนของวิตามินทั้งหลายเข้าไปหล่อเลี้ยงอะไรรูปประกายของสัตว์โลกรูปประคันของสัตว์โลก ขัดสาหาันนำสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนาให้กษัตริย์โลกมโนสัญเจตนาหาันนำปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็นำนามรูปนั่นำเกี่ยวกับในเรื่องของปฏิสนธิรูปนี่เลยให้กษัตริย์โลกตัววิญญาณอาหารนำเจตสิกและกรร ม, มชรูปใช่ไหมที่เกิดร่วมกันกับเขา เป็นต้นเนี่ยให้กษัตริย์โลกนั้นตัวกา ว, วริงกรลาหานภสษาหานมโนสัญเจตนาหานวิญญาณอาหารสรุปแล้วก็คือนำทุกมาให้นำสังสารวัตมาให้นำโลกมาให้กษัตริย์โลกนี่ไงนี่ก็เป็นเหตุของโลกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเหตุของสังสารวัตรอย่างหนึ่งต้องรอบรู้ไหมต้องรอบรู้ถ้าไม่รู้จากตัวสังสารวัตที่เป็นเหตุ ถ้าไม่รู้สังตัวสังสารวัตรแล้วก็ไม่รู้เหตุของสังสารวัตรจะจะดับทุกได้ยังไงเราจะดับสังสารวัตรยังไงเมื่อดับดับสังสารวัตรไม่ได้ก็เพิดเพื่อนในสังสารวัตรยินดีในสังสารวัตรนี้เป็นสังสารวัตรไหมเห็นไหมเห็นสังสารวัตรกาลังเดินไหมเห็นไหมหน้าชิ่นชมไหมหน้าไหมหน้าชิ่นชมไหมฮะ เลือไม่น่าเชื่อมใช่ไหมถ้าเกิดตัณหายินดีพอใจปุ๊บเป็นพอใจในสังสารวัตใช่ไหมเพราะเราเห็นกันแล้วเพราะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นที่ดูดูอะไรดูบุญดูบาปเป็นที่ดูผลบุญและผลบาปถามว่ารู้ไหมว่าเขากำลังทำบุญทำบาปเห็นไหมเขา เกิดจากผลบุญผลบาปยังไงเขากำลังรับผลบุญพ้นบาปยังไงนี่เราเห็นแล้สังสารวัตรเป็นอย่างนี้เองแล้วเดินอยู่นะตอนนี้ขนันนยตนาธาตุกําลังเดินอยู่ไหมกําลังเป็นไปอยู่ใช่ไหมเห็นไหมละ่ะเห็นสัจจะตัวนี้นะเห็นความจริงตรงนี้ไหมเห็นสังสารวัตรตรัวนี้ไหมถ้าเห็นเขียนสังสารวัตรได้ใช่ไหม ริ่เห็นนะเออนั่นแหละต้องวิจัยให้ได้ถามว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทางทวารตาเนี่ยสังสารวัตรเดินอยู่ไหมอาศัยตายแล้วลูกเกิดจากคุณญาณอยู่ไหมเดินอยู่ไหมทางทวารหูทางจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจสังสารวัตรเดินแล้วหยุดไหมไม่หยุดนะแม้จิตติหยุดยไมหมอ่านะปฏิสนที่ต่อเอาละสิแล้วจะไปหยุดจะไปขาดตอนที่ไหนสังสารวัตร กุ่มขันนี้อัฏฐานี้อายตนะนี้จะไปขาดหน้าที่ไหนไใช่ไหมถ้าไม่ได้อุปาทานปรินิพานเมื่อไรถ้าไม่อนุปาทานปรินิพานเมื่อไรนะสังขันนี้อัฏฐานี้อายตนะนี้ก็จะต้องเดินไปในสังสารวัตรเรื่อยๆแต่จะไปเดินในอัตภาพไหนสัตว์บุคคลอะไรว่าไปปัจจุ บ, นบนันนะพอมีเดินในฐานะเป็นมนุษย์ถามว่ารักษาสถานภาพเป็นมนุษย์ก็ยากแล้ว แค่การจะอยู่ในชมพูทวีปยังแสนยากดังที่ได้กล่าวใช่ไหมเพราะแสนโกดจักราวาลมีสัตว์อยู่หมดอ่ะเอาสิท่องเที่ยวไปมาไงไปสิญาตมิตรท่านอยู่อีกเยอะคอยอยู่หลายภพภูมิคิดไหมว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงคิดไหม ก็คิดเพียงว่าพรุ่งนี้จะได้ศึกกั้ น, นันเองเพื่อจะได้ไปสางสังสารวัตเพื่อจะได้ไปทำสังสารวัให้ยืดยาวต่อไปใช่ไหมนี่ก็แค่นั้ น, นอะไรนะปกปิดทำไมสมณเณรลาหุนเจ็ดขวบบรรลุลองคิดสิเพราะอัธยาศัยเขาดีใช่อัธยาศัยเขาสั่งสมมาดี น, นางวิสาขาทําไมบรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นความต่างของบุคคลของสังสารวัตรของบุคคลของของแต่ละบุคคลที่กําลังเดินอยู่ใช่ไหมทุกคนน่ะเขาเขาเขาน้อมไปในการปิดสังสารวัตรเขาเหลีวมากแต่เราน้อมที่จะต่อสังสารวัตรเอาสิเราคิดอะไรกันอยู่เนาะเนี่ยเนี่ยเราก็เอามาเป็นตัวกระตุน้น เรากําลังคิดอะไรระหว่างคนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเขากาลังจะหดสังสารวัตรเขาเรื่อยเพื่อให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วหมดไปแต่อีคนอีกกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยต้องการจะเชื่อมทําให้สังสารวัตนั้นยืดยาวแล้วก็ไม่รู้ตัวตนเองกําลังทําสังสารวัตรนั้นให้ยืดยาวนี่ท่านดังหลายคนสองกลุ่มกลุ่มที่กําลังจะน้อมตนเองเป็นอริยะชนกับกลุ่มที่ที่จะน้อมตนเองออกจากความเป็นอริยะคือ กลุ่มหต้องการจะขดสังสารวัตรตัดสังสารวัตรแต่อีกกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะทําให้สังสารวัตรนั้นไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์นย่งอยู่สองกลุ่มสัตว์โลกมันมีอยู่สองกลุ่มเราเราจะเดินอยู่กลุ่มไหนเราเลือกไม่ได้นะเราจะเลือกสองกลุ่มไม่ได้ ไปนั่งคิดใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะเดินกลุ่มไหนก็เดินให้มันชัดสมมุติถ้าเราจะเหยียบเรือสองแคมอะ่ะไอ้ลำนี้ก็อยากจะลงลานี้ก็อยากจะลงอะ่ะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะจะออกจากสังสารวัตรก็ยังอยากปรารถนาสังสารวัตรมันเอาความแน่นอนไม่ได้มันเลยเป็นแบบนี้ บุญก็อยากจะทำใช่ไหมแต่ถ้าปรารถนาจะพ้นทุกทุกอนูเลยมันก็ไม่เอาอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไ่นั่งพิจารณาให้ดีถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะอยู่ในกลุ่มของการที่พัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นอริยะเพื่อต้องการโหดสังสารวัตรการคิดใหม่ การตั้งอัธยาศัยใหม่มันต้องเกิดบ่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่า เ, เราไม่กลัวแล้วเรื่องสังสารวัฏเราก็เกิดมาอย่างยาวนานอยู่แล้วและเราก็ไม่เห็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยโดยปกติอัธยาศัยเราก็ไม่ได้น้อมออกจริงๆจริงจอยู่แล้วเนี่ยนะเราต้องการทําบุญแต่ต้องการทําบุญแบบประเภทวัตคามินีประเภทที่จะต้องสืบสาวตะไปเรื่อยๆเพราะเรามีรู้เบื้องต้นและที่สุดอยู่แล้วเราก็จะทำของเราไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปของเราก็ว่าไปใช่ไหมก็เอาเอามุมนั้นให้ชัดไปเลย ว่าเรานี่แหละจะเป็นวัตคาเมนีบุคคลจะเป็นบุคคลที่เป็นไปในวัตต์ใช่ไหมเหมือนพระโสดาบันเน่ยมีสองกลุ่มใช่ไหมวัตต์พิรตตสโสดาบันใช่ไหมอันนั้นนะ่ะคําว่าวัตต์พิรตตสโสดาบันแปลว่าท่านปิดอบายภูมินะนั่นคือกลุ่มที่ต้องการอยู่กับวัตต์ แต่ท่านก็อยู่ไม่นานหรอกแต่ท่านต้องการอยากจะดูต้องการอยากจะไปกับวัตตะเพราะท่านรู้ว่าความเจ็บปวดจากการที่เกิดในใบยูมิท่านไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่ดอนนั้นเป็นต้นไปท่านก็เลยประเภทที่ยินดีในวัตตะแต่ท่านไม่ได้ยินดีในเหตุมาสังสาระนะท่านยินดีในอุปปริมะสังสาระเป็นส่วนใหญ่คือท่านจะไปเบื้องสูง เราถ้าจะยินดีขอให้ได้มักต้นก่อนหดสังสารวัตรลงก่อนอยากจะยินดีก็ยินดีได้ใช่ไหมถ้าเรายังบอกว่าเออแม้เราจะเอาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊ บ, บ, บ, บเลยเราก็ไม่ไหวเงี่ยนะก็เดินกลุ่มนี้ไปเขามีอยู่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเป็นพัทธิยะแต่ยินดีวัตตะแต่ก็มีไม่มากเลยแต่มีกไม่ยังไม่มีมมม เพราขึ้นเชื่อวัาฏะมันก็เป็นเรื่องความเจ็บปวดใช่ไหมแต่แน่นอนที่สุดก็คือว่าถึงไม่ต้องมาแยกข้างแยกอะไรนี้ต้องการพูดในกลุ่มที่จะศึกษารพระธรรมเพราะกลุ่มหนึ่งเขาไม่คิดมุมนี้กันอยู่แล้วเพราะเขาก็คิดว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรมากอยู่ไปวัน ว, น ว, น, วนวันแล้วทำอะไรอยากทำอะไรก็ทําโกรธใครก็ดา่าใช่ไหมชอบใครเก็ยอกยุ่งเนี้ยเขาก็อยู่กับอภิชาติโทมานัสอวิชาโทมานัสโมหะก็ปิดอยู่เนี้ยก็เป็นอัธยาศัยของเขาอยู่แล้ว อันนั้นก็ว่าไปเพราะโดยส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในกลุ่มที่จะออกกลุ่มที่เห็นโทษเห็นภัยของวัดตาพอสมควรก็มาตรึกมาไข่ครวนให้มากเพื่อจะได้เป็นบันไดเป็นปัจจัยใ ก, การที่จะเดินทางให้มันชัดนี้พูดถึงในเรื่องของคำว่าอาหารฉะนั้นตัวมโนสัญเจตัวผัสตัวกาวริงกราอาหารภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและก็วิญญาณอาหารตัวนี้เริ่มเห็นเนาะ เขียนว่าตัวเกี่ยวในเรื่องของกัพลิงกราหานเนี่ยนำโอชาเป็นที่แปดมาให้ภาษาหานนำเวทนาสามมาให้มโนสัญเจตนาหารก็นำปฏิสนธิในภพสามทีนี้เวลาท่านกล่าวท่านจึงกล่าวบอกว่าตัวไทยเนี่ยนะท่านให้เห็นตัว กาวริงกห า, หออหห า, าหารเหมือนอะไรให้เห็นภัษาอาหารเหมือนอะไรให้เห็นมโนสัญเจตนาอาหารเหมือนอะไรและให้เห็นวิญญาณอาหารเหมือนอะไรใช่ไหมพอท่านพูดถึงอัตถะเหตุผลการอธิบายในเรื่องของอาหารแล้วท่านก็อุปมาเลยอุปมายังไงบอกว่า เคยเห็นอาหารที่หยอดเข้าไปในร่างกายจริงๆเนี่ยเหมือนสองสามีภรรยากินเนื้อบุดไหมถามใจที่จริงๆเห็นอย่างนั้นจริงหมหรือไม่เห็นแต่ละคำที่กินแต่ละคำที่บริโภคเข้าไปเนี่ยมันเห็นไหมถ้ายังไม่เห็นก็คือไม่เห็นภัยของวัตถะนี่แหละบอกให้รู้ว่าถ้าเห็นจริงๆเนี่ยที่ว่าเห็นภัยของสังสารวัตร นี่นะที่ไม่เห็นไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่เคยเอาไปคิดหรือไปคิดมันก็น้อยไปจริงๆก็ต้องไปดูในปุตตะมังสะสูตรในสังยุตตนิการนิธานวัต ก, ก็ต้องเอามาดูใช่ไหมนี่ไงมันจะได้เห็นภัยของสังสารวัตก็ต้องเอามาดูเอามาเชื่อมดูแล้วก็มาวิจัยดูว่าเออคุณเห็นอย่างนี้ไหม ดูในชั้นของพระบาลีดูในชั้นของอัตถกถาชั้นของอัตถกถาท่านขยายไว้มากก็จับเชื่อมโยงติดปฏิติประต่อหเห็นชัดแล้วยิ่งเคยบรรยายไว้แล้วก็ไปตามดูแล้วม า, ม า, ม, ามาเชื่อมโยงดูแลจะเห็นว่านี่ไงโทษของกาวลิงนาหานถ้ามองไม่เห็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นทุกขสัตริย์ของสังสารวัตแต่ถ้ามองเห็นเห็นทุกขสัตริย์ภาษาหานก็เหมือนกับเมคโคถูกถลกหนังออกว่าจะ ทรมานสักปานใดที่จะต้องคอยหลบมแมลงทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายภัสสะทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นเนี่ยกายใจเนี่ยมันเป็นนําทุกข์มาให้ใช่ไหมมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเจ็บปวดมันความเจ็บปวดอะไรเห็นแต่ละครั้งเนี่ยสุขเวทนาก็เจ็บปวดเห็นแต่ละครั้งทุกขเวทนาก็เจ็บปวด เห็นแต่ครั้งอุเบกขาเวทนาก็เป็นความเจ็บปวดเพราะมันนําเวทนามาให้นําเวทนามาให้ก็คือนําตัววัตตะตัววัตทุกข์มาให้แต่เราทําไมไปยินดีเวทนาทําไมไม่ยินดีการดับเวทนายินดีเวทนาก็ยินดีตัววัตตะแท้เนี่ยตัวสังสารวัตแท้เนี่ย อะไรแล้วมันดนใจให้เราไปยินดีตัวเวทนาไอ้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเราก็ยังไปยินดีสุขเวทนาไอ้ทุกขเวทนาก็อย่างกระลูกสอแล้วก็ไปยินดีในทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาก็เป็นของที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ยังไปยินดีมันอยู่คำว่ายินดีเนี่ยเชื่อไหมบางทีเรายินดีให้คนอื่นได้รับสุขเวทนา บางทีเราเย็นดีให้คนอื่นได้รับทุกขเวทนาเราก็ไม่รู้ตัวบางทีเราเย็นดีให้คนอื่นได้รับเวขเวทนาและสรุปก็คือว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นกับเราเราก็พยายามจะเอาสุขให้อยู่กับเรานานๆทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่มันทำไม่ได้มีมนุษย์หน้าไหนละ่ะหรือมีสัตว์พวกใดละ่ะอยู่กับสุขเวทนาได้อย่างถาวรมีไหมมีไม เพราะสุขเวทนานั้นเป็นวิปรินามทุกแต่ทำไมสัตว์โลกติดสุขเวทนาเพราะมันให้อสสาทะในส่วนที่เป็นวิบากในส่วนที่เป็นเกิดร่วมกันกับกิเลสใช่ไหมถ้าถามว่าไอตัวสุขเวทนาเนี่ยสัตว์โลกยินดีสุขแม้กระทั่งระดับอุเบขาเลยยันอุเบขาในรูปแบบ อุเบกขาในปัญจโวกะระภพี่ยินดีขนาดนั้นแล้วยินดีก็ไปเสวยติดกันอยู่นั่นแหละหนักที่ยังห ย, ยาบหยาบเหน่อยก็ยินดีสุขเวทนาในกามมพบและสัตว์ทั้งหลายที่เร่าร้อนกันอยู่เนี่ยวิ่งกระเสือกระสนกันอยู่เนี่ย น, นะก็เพราะอะไรเพราะการต้องการเวทนาใช่ไหม ถามว่าที่เราเราแสวงหาทรัพย์แสวงหาอาหารกันอยู่เนี่ยมันเป็นความเก็บปวดนะจริงๆแล้วแต่สัตว์ก็ไม่รู้สัตว์หวังอะไรกันเนี่ยแสวงหาทรัพย์เนี่ยสยหวังอะไรสุขเวทนาถ้าไม่มีความสุขไม่ทำํำนะที่มันทํางานกันอย่างเพราะได้ความสุขเพราะตนรู้หวังว่าตนเองจะได้ทําไมเราเรียนแล้วก็ปรารถนาว่าเราจะได้ความสุขจากการเรียน ทำไมเราฟังทำใช่ไหมถ้าตั้งบอกเพื่อสุขเวทนาตั้งผิดเลยใช่มเพราะไปตั้งวัตตะไว้ทำไมพริท่เจ้าสอนให้ออกจากตัวเวทนาให้รอบรู้เวทนาให้เวทนามาไข้ควนเนาะถามว่าเวทนาเป็นวัตตะไหมเป็นสังสารวัตรใช่ไหมเวทนาที่มันกำลังเดินอยู่นั่นคือการเดินไปของขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมไดอายตนาเป็นธรรมายตนะ โดยธาเป็นธรรมธาตุนั่นคือการเดินไปของขันธาตุอยายตนะกำลังดำเนินไปอยู่ใช่มแล้วเห็นไหมว่าเวทนากำลังเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าตัวสังสารวัตมันเดินอยู่ถ้าเห็นนั่นเข้าใจสังสารวัตทีนี้ถ้าในส่วนของผัสสะก็เป็นตัววัตตะใช่ไหมในส่วนของมโนสัญเจตนาหาน ไอ้ตัวนี้ให้สังเกตตัวกำอไอ้ถ้าเราดูในสูตรอื่นมาเชื่อมอดูสูตรไหนดูในสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่สันตติมหาหมาดอันมาจําบาลีไม่ได้นะจําบาลีไม่ได้แล้วแต่พอนึกเราๆได้นึกเราๆได้ที่บอกว่าตอนที่สันตติมหาหมาดเกิดความทุกขโทมนั้นมากที่ภรรยาตายมาไล่ลำตายชักดินชักงอโดนะ น้ำลายฟูมปากอดอาหารมากเพื่อต้องการความให้ได้รับความชื่นชมจากการที่ได้ไล่ลำงามนั่นแหละใช่ไหมสตรีก็ต้องการอวดสตรีละการจะอวดได้ก็ต้องทำให้ผอมเพราะย่เป็นที่ชื่นชมสันติมหามาล ก, ก็หลงในรูปของสตรีนะดูเพลิดเพลินมากแล้วก็เมาสุดละต่อมาเธอไล่ลำไปไล่ลำมาก็หลมก็ตัดขวงวหัวใจก็ ตายนี่นะทุกเวทนาโทมนัสเกิดเราที่ดื่มเข้าไปก็เกลียมหายเกลี้ยงโทมนัสมาแทนนึกถึงพระาศาสดาพอไปถึงพระาศาสดาก็เธอมาถูกแล้วตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาก็เพื่อดับทุกโทมนัสของสัตว์ใช่ไหม ฉะนั้นถามว่าเวลาเราเกิดทุกโทมนัดเนี่ยเพราะไอตัวเวทนาทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเบียดเบียนเนี่ยเราเคยโทษเวทนาไหมเราเคยโทษเวทนาไหมเคยไหมเราโทษใครโทษใครเราจะโทษว่าท่านผูนี้ทำให้เรา ท่านคนนี้ทําให้เราสุดนั่นคือไม่เห็นสังสารวัตรผู้มืดบอดในสังสารวัตรผูดจมอยู่ในสังสารวัตรใช่ไหมยินดีเพิดเพลินมืดบอดในสังสารวัตไม่เห็นว่าตัวเวทานาเนี่ยพระุทธเจ้าสอนอยังไงให้กําหนดรู้ให้รอบรู้เวทานาเป็นผลหรือเป็นเหตุ สมนัตเวทนาไม่เที่ยงโทมนัตเวทนาไม่เที่ยงอุเบกขาเวทนาก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยนี่นะที่เร่เวทนาเหล่านี้การที่เราจะไปเห็นสามั ญ, ญลักษณะของเวทนาได้นั้นนะมันต้องรู้เหตุปัจจัยของเวทนาก่อนคนทุกวันนีเ่เคยเคยไข้ควรตามขั้นตอนของพุทธเจ้าไหมบางทีก็มาปอบใจกันนะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พูดโดยสามัญกันอย่างนั้นไหมเขาเรียกเป็นสามัญยวหารนะ่ เป็นโวหารเป็นคำพูดที่เป็นสามัญก็คุยกันธรรมดาเหมือนจะรู้เหมือนจะเห็นแต่มันเหมือนไงไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่ได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งจริงๆเวทนาเป็นธรรมที่เกิดจากปัจจัยเพราะเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมเวทนามีภาษาเป็นปัจจัยนั่นคือปัจจัยกล้ชิดใช่ไหมแต่เวทนาเนี่ยมีปัจจัยที่เป็นอดีตก็คือกรรมมีวิชาตัญหากรรมที่เป็นอกุศลทุกเวทนาถ้าสุขเวนาที่เป็นกุศลนี่เป็นต้นนะ ถ้าอุเบกขาเวทนาก็ต้องดูว่าเบกขาเวทนาในไหนเป็นต้นก็วิไลเรียงกันดูเป็นปมาเป็นผลของทุกข์ก็ได้เป็นผลเออเป็นผลของกุศลก็ได้อุกุศลก็ได้อย่างเนี้ยอย่างนี้แปลว่าเขาเข้าใจเหตุทั้งเหตุใกล้เหตุใกล้เราไม่รู้แม้กระทั่งเหตุใกล้ไม่รู้กระทั่งเหตุไกลจบเลยบอกเวทนาไม่เที่ยงเออดีใจก็ไม่เที่ยงหรอกเสียใจก็ไม่เที่ยงหรอกพูดกันทุกคนแต่ไม่ได้เห็นจริงหรอกเพราะไม่ได้เข้าใจ ปัจจใจนะปัจใจของเวเดนะคนที่เขาจะเข้าใจเนี่ยแปลว่าเขาเชื่อมโยงปัจจัยเหล่านี้ได้เหมือนสมมติว่าอาตมาเนี่ยยอมอา จ, จารย์สุรีมาใช่ไหมถ้ายมอาจารย์สุรีพูดให้อาตมาพูดสิ่งที่ไม่เหมาะได้อาตมาทุกข์ใจถ้าอาตมาบอกว่าโอ้พ่อยมอา จ, จารย์สุรีทําให้อาตมาทุกข์ใจเนี่ยอาตมาเข้าใจสังสารวัตรผิด พิถนัดเลยเพราะไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจของอาจามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะยมสุรีเอืออาจารย์สุรียอมอาจารย์สุรีไม่ใช่แต่มันเกิดขึ้นจากผัสสะนี่คือเหตุไกลเหตุใกล้แต่มันเกิดขึ้นเพราะอากุศลกรรมในดีมันเกิดขึ้นจากวิชาตัณหากรรมในดีที่อาจามาทำอกุศลกรรมเขาไว้จึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมาะ อย่างนี้นะแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ยอมยนันโซเลงงั้นยอมจะด่าท่านทุกวันนะเพราะเพราะมันเป็นบาปของท่านเองอะ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้ามันเจอคนคิดมุมนี้ขึ้นมาเคยเห็นไหมว่าไอ้มุมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกว่าท่านพูนนั้นที่กำลังทำกรรมเนี่ยมันทำไม่ถูกใช่ไหมทำไม่ถูก ถ้าเขาเข้าใจคำว่าสังสารวัตรเขาจะไม่พูดคำนี้ไงเขาจะไม่พูดคำนี้นี่เขาไม่เข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่ามันคิดมุมเลยเคยเป็นไหมอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้จะออกอยังไงที่เราไปทำให้เขาทุกข์ใจซะแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เป็นกรรมของคุณเองอะพากคุณทำไม่ดีก็หมอใช่ไหมอานุาก็เคยพูดในคาแบบนี้แต่ก่อนก็เข้าใจแบบนี้จริงๆเลยนะ พอเราเป็นหลุดคำที่ไม่เหมาะสมออกไปซะแล้วใช่เราก็เลยพูดว่าเออเป็นกรมคุณเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดคบนะั้นเรามันออกมาจริงใช่ไหมเหมือนไม่ต้องอะไรกันเนนก็ อ, อันมาก็ไปพูดถึงไอสัตว์ในในฉานใช่ไหมอันมาพูดตามตามในคำสอนอันมาเรียกเหียแต่เนีนบอกโอ้โหคำนี้ไม่ไม่เหมาะเลย ไปว่าไงต้องเรียกตัวเงินตัวทองไม่เรียกคนละมุมคือในในภาษาของคําสอนเนี่ยตัวเฮียนี่เป็นเรื่องปกติแต่คนปัจจุบันนี่เอาคำว่าเฮียเนี่ยมาพูดจะเสียเลยใช่ไหมเพราะเฮียเนี่ยพระพรทธศาสเคยเกิดเป็นก็มีอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็บอกคํานี้มันหยาบจะแล้วเงี้ยมันหยาบจะแล้วไม่ไม่ไม่ให้พูดแลยคำนี้ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวคนฟังโกรธ เห็นไหมแล้วก็บอกเออเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมของเนียนต้องมาได้ยินคำนี้เรามันึกใจอ๋อเราพูดแก้ตัวนี่ใช่หไหมแท้จริงก็คือเราคําพูดบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูสังคมของมันกันใช่ไหมเออต้องดูเหมือนกันว่าเออคําแบบนี้บางทีเขามันไม่เหมาะกับเขาเนี้ยทั้งทั้งที่เขาเป็นเด็กเนี่ยใช่ไหมแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออคําำนี้มันสะเทือนหนึ่งนี่เป็นต้อนอัน น, นี้ยกตัวอย่างเพียงเรื่องเล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะ แต่ถ้าเราบอกว่าเป็นกรรมของเองมันก็จบไงตรงนั้นเนะี่ยแต่มันมันในใจลึกๆเราถ้าเรามีเจตนาบริสุทธิ์จริงไหมก็มาพิจารณาใครควนอ๋อมันมีส่วนหนึ่งใช่ไหมมันมีส่วนหนึ่งบางทีในความรู้สึกลึกๆนี่เราต้องการจะเตือนเขาแรงๆก็เลยใช้คํานี้ออกไปคําพูดถูกแต่เจตนามันผิดก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็อ๋อบางครั้งพูดกุศลเนี่ยแต่เดินด้วยอกุศลก็ได้ใช่ไหมไม่ได้มาบรรยายธรรมเนี่ย ถามว่าเป็นบุญทุกขนาณะจิตได้ไหมบางครั้งก็เป็นผาพเมื่อเราฟังธรรมเนี่ยเชื่อไหมว่าจะเลี้ยงใจให้เป็นกุศลได้ตลอดทำไมไม่ได้อะเพราะการอบรมในการวิธีคิดสุดจริตสามไม่ดีอสุจริตสามไม่ดีอินทรียังวรเสียอินทรียังวรเสียเพราะปฏิโมกสังวรนศีลไม่มีอย่างนี้เราก็จะเห็น ว่าเออพระธรรมที่เราฟังแต่ละครั้งบางทีมันเกิดความนึกซึ้งเกิดความเข้าใจในพระธรรมเนี่ยต่างกันเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเข้าใจบางทีเนี่ยเราในขณะที่เราฟังธรรมอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการขณะที่กำลังฟังพระธรร ม, มเทศนาอยู่เนี่ยว่าบางทีใจของเราเนี่ยบางทีมันไม่ศรัทธาแล้วเคยเป็นไ้มล่ะ เราก็ตั้งไม่ถูกตั้งเจตนาไม่เป็นเคเป็นไหมทั้งๆ ท, ที่ควรจะตั้งศรัทธานแนบแน่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเต่๋ยวเราบอกว่าถ้าท่านผู้นี้กล่าวทำงั้นๆเนี่นยอย่างเงี้ยมันนึกบอกว่ากระทบบุคคลเลยกลายเป็นกระทบทามกระทบทามกลายเป็นกระทบพระพุทธเจ้าเงี้ยมันต้องไปดูในชั้นเขา อ, อาจจะคถาและดีกาที่ท่านขยายไว้เราจะเห็นว่าโอ้โหต่อไปเนี่ยท่านในลรงที่เขากำลังแสดงธรรมกันเนี่ยเราควรวางท่าทียังไงมันก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนเนี่ยนะ เออพราเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการเจริญกุศลแต่ถ้าใจของเรามันไม่เป็นบุญเราทำไงก็ต้องพยายามดูแลจิตให้เป็นใช่ไหมตั้งมั่นกุศลจิตให้เป็นตั้งวิธีคิดให้ถูกถ้าเราเกิดตั้งจิตไม่เป็นกุศลขึ้นมาเบ็สเสร็จนะแปลว่าอะไรเป็นอันตรายยิกรร่กระทำปิ๊บอันตรายยิก่กระทำนั้นทําที่เป็นอันตรายต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนรู้ไหมมันเสียหายจนถึงขนาดว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราป่วยให้ออกนอกทางพระธรรมคำสอน ไอ้ตรงนี้ก็ต้องถ้านักศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องต้องตั้งจิตเป็นเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราไปเรียนทางโลกการเรียนทางธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเอามาใช้ปนกันหมดแล้วใช่ไหมสังเกตดูทีถ้าเราไปในห้องเรียนเนี่ยในห้องเรียนนัพิธรรมในห้องเรียนนักธรรมในห้องเรียนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้พระธรรมเสียหมดแล้วไม่ใช่พระธรรมเสียเนาะการเรียนพระธรรมไม่เป็นไปตามปติการที่พระพุทธเจ้าวางไว้เสีแล้วใช่ไหมวางวิธีคิดผิดแล้ว ไอ้ตรงนี้ก็กต้องค อ, คอยช่วยกันดูประการต่อมาตรงนี้ก็คือว่าให้ทราบว่าปฏิสนธิเนี่ยใครเป็นวิญญาณอาหารนําปฏิสนธิคือนําในขนาดไหนนําในขนาดปฏิสนธิขันนั้นเป็นอารมณ์ของอุปาทานชีอวอุปาทานอขันใช่ไหมประกาตรงนี้ท่านต้องการจะพูดถึงบอกว่าหนึ่งสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนั้นโลกก็มีหนึ่งสังสารวัตนับเป็นหนึ่งอย่างนี้นะสองโลกนับว่าสองหรือสังสารวัตนับว่าเป็นสองนับเป็นนามและเป็นรูปใช่ไหม สานับเป็นสามได้เวทนาสามสามีสม่นับเป็นอาหารไดอาหารสี่คือกาวลิงกลาอาหารภัสาาหารมโนสนเจตนาหารวิญญาณอาหารต่อไปคือห้านับยังไงนับโดยย่อย อ, อุปาทานขันห้าอันเดียวกันหมดเนะี่ยที่พูดมาเนี่ยมันนับห้าคือขันห้าแล้วพอนับหคืออุปาทานขันห้าถามว่านับเป็นอุปาทานขันหนะ้านั้นนับยังไงขัน ก็อาไปไล่อย่างไรต้องไปเชื่อมโยงสูตรอื่นถึงจะชัดขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งรูปมันเป็นที่ตั้งของอุปาทานใช่ไหมก็เรียกว่า ub ub ub รูปปูปาทานขันโทขันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือรูปขันนั่นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือเวทนาขันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสัญญาขันนั่นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสังขารแล้วก็ขันนั่นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือวิญ ญ, ญาณถามว่าตัวนี้เป็นตัวสังสารวัฏใช่ไหมเนี่ยการเกิดขึ้นสืบต่อกันของขันนนนนธาาาตอยยะะไม่ขดสเห็ล ที่แท้ก็คือการเกิดของอาหารของนามรูปของเวทนาของอาหารสี่ของอุปาทานถามว่าเรียกอุปาทานขันเพราะเพราะอะไรขันของใครเรียกว่าอุปาทานขันขันของใครไม่เรียกว่าอุปาทานขันขันของพระละหันมีอุปาทานไหมมีการอุปาทานไหมมีทิฏฐิอุปาทานไหมมีสีลสะประตอุปาทานมีอัตวาทุปาทานไหมสแสดงว่าท่านละอุปาทานท่านเป็นขีนาศกขีณาบวกอาสวะใช่ไหมแปลว่าพ้น พ้นจากอาสวะท่านของท่านนะจึงไม่มีอุปาทานเนาะประการต่อมาเนี่ยโลกหรือสังสารวัฏอีกอย่างก็เรียกอายตนะหกมีจักขายตนะต้นต้นมีมน า, นาญตนะเป็นที่สุดอันนี้เป็นอันนี้ชัดก็คือว่าจักขายตนะโสตาคานาชิวหากายามนาหกนี่นะออกได้ไหมออกได้ไหมตอนนี้ออกจากสังสารวัฏตัวนี้ได้ไหมวิ่งไปที่ไหนจะออกให้ได้คุกไหมนะี่เป็นคุกไหมเป็นคุกชัดๆเลยไหมเป็นตัวคุกเลยเนะ เป็นตัวคุกแล้วเราออกจากมันไม่ได้พลุงพลังอยู่นี่แหละท่านทั้งหลายว่าท่านเดินออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้แล้วเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสังสารวัตเป็นคุกของท่านแล้วที่มันเป็นเป็นคุกแล้วท่านไม่คิดว่าเป็นคุกอย่างที่ว่าเมื่อวานนี่ยท่านไม่คิดว่าเป็นคุกอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นคุกแต่ยินดีในคุกเสร็จแล้วใช่ไหมจึงเป็นวัตคาเมนีกับวิวัตคามมนีกลุ่มวัตคาเินีนั้นพวกยินดีในคุกยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจ กลุ่มวิวัตคามีนีนั้นเป็นกลุ่มที่พยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนในการที่จะออกจากตาหูจมูกเล่นกายใจออกจากคุกแล้วเป็นกลุ่มไหนเอากลุ่มไหนพูดได้เต็มปากไหมเป็นกลุ่มประกาศตนี่จะเป็นอิสระจากคุกใช่ไหมไปเขียนติดหน้าบ้านก็ว่าคือแต่ก่อนน่มาไปปฏิบัติน่มาไปคิดยุมนั่งเหมืนอนแต่จะพลุงพลังยิงเนาะ แล้วจะเดินไปตรงไหนเนี่ยเราจะออกจากมันได้เนี่ยแล้วมันออกจากมันไม่ได้เนี่ยนะเข้านะเข้าใหม่ใหมา่าคิดด้วยปัญญาเนี่ยเรคิดต่อสาเกิอยากจะทําลายแท้เข้าใจไหมแต่ก็ทําลายไม่ได้เห็นอยู่รู้อยู่แต่มันยังไม่พอปัจจัยยังไม่ถึงเน่ะบอกอ๋พอพรธเจ้ามีอะไรเนะมีพระปัญญาคุณกับพระมหากรุณาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะพระองค์ก็เห็นอะไรมีความกรุณาต่อสัตว์ก็ต้องทนอยู่ในคุก ต้องทนอยู่ในคุกคือสังสารวัตรนี่พระมหากรุณามีพระปัญญาคุณก็เบื่อหน่ายคุกเบื่อหน่ายสังสารวัตอย่างรุนแรงใครถ้าอยู่ในสถานะอย่างพระองค์จะทํำยังไงเนี่ยถ้าออกก็ออกได้แต่ว่ากรุณาก็ะตุนแรงเนี่ยถ้าเราเห็นใจพระเจ้าตรงนี้นะเราจะรู้เราจะได้ซึ้งคุณท่านน่ะว่าคุณของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่สักบานใดไอ้ที่เราทําทําทํากันเนี่ยที่ว่าตอบแทนคุณน่ะ มันน้อยมากใช่ไหมแค่จะเอาผ้าห่มมาพันกายแล้วโกนหัวเล่นเนี่ยชื่อว่าตอบแทนคุณท่านไหมมันไม่ใช่หรอกเพราะเราไม่ได้เห็นคุณของพระราชาจริงๆใช่ไหมไม่ได้เห็นจริงๆหรอกก็มาต่อรองกันอยู่นี่แหละชีวิตต่อรองไปวันวันวันกันนั้นใช่ไหมเออเป็นงั้นแหละเพราะไม่ได้เห็นคุณจริงๆถ้าเราเห็นคุณของพระศ า, าสดานเนี่ยเขามอบกายถวายชีวิตไปแล้วใช่ไหม แล้วเขาจะมุ่งมั่นถวายชีวิตแด่พระศ า, าสดาเพราะเขาเห็นพกกระกรุณาที่คุณกับพระบรรดาคุณของบุรดยา้ายิ่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นโทษกันทั้งคู่เลยนั้นใช่ไหมไม่เห็นทั้งคู่เลยใช่ไหมจริงไหมอันนี้ พ, พูดยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่าถ้าเห็นคุณของบุเดย้าเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายวันธนาวจีวันธ น, า ม, น, น, น า, ววามโนวันธนาต้องชัดโดยเฉพาะมโนวันธนาเนาะ ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการนอบน้อมบูชาใช่ไหมอย่างยมยันตุรีบอกว่าต้องการจะเขียนหนังสือถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมจิตที่คิดจะบูชาต้องให้มากกว่านี้ให้มากกว่านี้มากอยู่แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆทําไมต้องเพิ่มเพิ่มสัตทินสีเมื่อศรัทธาเพิ่มวิริยัสติสมาธิปัญญาจะตามจะตาม ให้สัตทินรีในตถาคตถาโพ ธ, ธิสัาเพิ่มกว่า น, นี้อือาถามว่าสัตทินรีย์จะเพิ่มได้ด้วยการอย่างไรนี่งไงการฟั ง, ฟงการอ่านการใคร่อยๆให้ต่อเนื่องฝึกหัดอยู่คนเดียวให้เป็นแล้วฟังธําแบบนอบนอบ้อมฟังธรรมตั้งใจฟังเอาพระรูปของพระเจ้ามาตั้งตรงหน้าเลยเนะี่ยอันมาวิธีเบื้องต้นคนอื่นจะฝึกยังไงก็ฝึกไปนะ แต่อารมณ์ใช้บางทีเนี่ยลงมาถ้าอยู่เงียบๆข้างล่างนี่นะล็อกหมดแล้วใช่ไหมอารมาก็เปิดธรรมะแล้วก็เอาเก้าอีน้นะมองพโพธจา้าแล้วก็ประนมมื อ, อใครมาเห็นอารมาเนี่ใช่ไหมอาราประนมมือนะแล้วก็ตตึกไปตามามาทำครับจอน ทำทุกอย่างเท่าที่อาตมาจะเรียกศรัทธาได้พระนางก็ทำกันประมาณนี้ดูสิทําไมอาตมาต้องมาฟังฟังขนาดนั้นเพราะอาตมารู้ว่าถ้าเรามีศรัทธาในตถาคตตาปุถิตศัทธาแล้วความเข้าใจพระธรรมจะตามมาความเข้าถึงพระธรรมจะตามมาถ้าเราไม่ศรัทธาท่านผู้นี้แล้วเนี่ยความเข้าใจพระธรรมจะไม่เกิดเลย ต่อให้รู้มากขนาดไหนก็รู้แล้วแล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่ศรัทธาเราจะเราจะช่วยตัวเองไงใช่ไหมเราจะเห็นเราจะศรัทธาเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหมใช่ไหมมันตรวจสองสองหลักได้ตัวจศรัทธาเพราะตรงกลางก็จะตามมาอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปจัดสรรตอนนี้ว่าศรัทธามากปัญญาน้อยเวทียามากซะมอย่าเพิ่งไปจัดเพราะมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลยอ่ะ เข้าใจยังมันยังไม่ขึ้นสักตัวเลยเนะี่ยที่ไม่รู้ตัวกันอยู่แล้วก็เที่ยวมาเที่ยวจัดว่าศรัทธามากวิริยะมากสมาธิมากสติให้มีกำลังอะไรอยู่เนี่ยมันอ่อนทุกตัวลรา ย, ย่อมเยบหมดแล้วมันอ่อนหมดแล้วเพราะเราไม่ได้เคยฝึกมาแบบเอาจริงเอาจังตรงนี้นั้นต้องเอาสัยแรงขับเคลื่อนอย่างรุนแรงเลยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยทางทวารตาทวารหูทวารใจ นี่นะให้เดินสิกขาสามให้ได้แล้วมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าให้ชัดเดี๋ยวก็ได้แต่แต่ต้องรู้จักอยู่ตนคนเดียวให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักฟังวธรรมหรือถ้าจะน้อมฟังว่าทำท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ฟังด้วยความน้อมน้อมยิ่งๆแล้วนั่นแหละไม่ใช่ฟังเพราะเราเคารพท่านผู้นั้นแต่เราฟังเพราะเราเคารพพระพุทธเจ้า เราต้องการเอาเราเนี่ยให้เข้าถึงให้เชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าให้ได้ใช่มถ้าวันนี้เรายัางเชื่อมกับถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้วิบัติแน่วิบัติจริงไหมวิบัติวิบัติจริงๆเพราะว่า พระพุทธเจ้าจะกำจัดภัยให้เราอย่างไรถ้าเราไม่อยู่ใกล้ท่านใช่มถ้าเราไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมธรรมเออไม่อบรมปัญญาไม่ไม่ได้รับการแนะนำโดยธรรมไมไม่ฉลาดในธรรมของพาริยะไม่รับการแนะนำของพาริยะปฏิบัติผิดไม่ไม่ปฏิบัติชอบไกลแสนไกลเลยไง ใช่ไหมงั้นเราก็เราก็เสียอีกแล้วถึงบอกว่าโอกาสที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยโอกาสมันไม่มีแล้วเมื่อเมื่อเช้าที่พูดเนี่ยมันจะหมดโอกาสกันอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหงั้นก็ดึงดึงสถานภาพกลับมาซะเพราะโอกาสนี้มันไม่มีอีกแล้วชา ต, ต่อไปอยา่าอย่าหมายอย่าหมาย ถ้าชาตินี้ไม่ได้แล้วชาติต่อไปอย่อมหมายนั้นเอาเอาชาตินี้ให้ได้ก่อนจับหลักให้ได้ก่อนได้สัตย์ท้ายมากก่อนได้วิริยะสติสมาธิปัญญาในพระพุทธเจ้าให้มากอะไรที่จะไปเกื้อกูลทานเกื้อกูลเอาทานศีลเกื้อกูลเอาศีลเนคขมะเกื้อกูลเอาเนคขมะเนาะ ผูกรัตคือว่าปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานนเมตตาวิกคระละดมผูกบา ร, รมีเหล่านี้ไว้ในตนแล้วเดินไปเถอะเดินไปมันจะฝ่าฟันอะไรได้หมดใช่ไหมถ้าต้องการจะเป็นโพธิยานที่สูงสูงก็ผูกสัตว์ด้วยอย่าผูกเฉพาะบา ร, รมีใช่ไหม แต่ที่สุดจริงๆจะระดับไหนก็ต้องผูกก็คือผูกสัตว์คือผูกกัลยาณมิตรหาผูกกัลยาณมิตรไว้ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีกัลยาณมิตรแวดล้อมนี่วิบัติมันคิดเองยากสัตว์โลกนี่คิดเองยากแล้วคนที่จะสอนเราจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีแล้วใช่ไหม อ่านตำราเองมันก็จะไม่เข้ า, าใจจะทำไงแล้วมันจะไม่มีอยู่แล้วตอนนี้เพราะตำราไปนั่งอ่านกันสิใช่ไหมมันมีใครสักกี่คนแล้วอ่านตำราแล้วเข้าใจอัธะที่มันชัดเจนเย่ยถ้าจะอ่านแบบเล่นลิ้นตีวิปากเล่นไปวันวันมันก็ไม่ยากหรอก แต่อ่านแล้วเจออาะอัดถ่ายมันเข้าใจเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ไปอ่านไปศึกษาไปใข่คนเนี่ยแล้วจะรู้ว่ายากแสนเขียนอัน น, นมีคนก็พูดกันนะไอเขียนโคกขึ้นเขาเนี่ยมันง่ายกว่าการศึกษาพระธรรมาอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาครกเนี่ยล้วบอกว่าเอาพุกเขาอ่ะยัดใส่โคก มันยังง่ายกว่าการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าเองเขบอโอ้โหพูดกันเลยมาพูดแล้วอยากจะนั่งหงายท้อง ม, มันบอกโอ้โหขนาดนั้นเขาบอกว่าคือยิ่งจะพูดให้คนเข้าใจด้วยเนี่ยจะพูดยังไงนในยุคนี้เราท่านทั้งหลายใช่ไหมเหมือนเราพยายามกันทุกวิถีทางที่จะเขียนจะพูดจะอะไรต่างๆเ่ยที่เราจะเขียนให้คนสะดุ้งสะเทือนเนี่ยจะเขียนยังไง ใช่ขนาดพูดพูดไปจะยอมยันต์รีบอดแทบท้อเลยใช่ไหมคือรู้ว่าไม่ง่ายแต่ทำเถอะอะไรก็ได้ที่มันเป็นชิ้นออกมาแล้วเป็นไปตามพระธรรมคาสอนนะเพื่อจะได้เกื้อกูลแล้วเป็นเราเราได้สร้างบา ร, รมีเราทำนเนี่ยลราผูกบา ร, รมีไว้ในตัวแล้วแล้วเป็นประโยชน์สักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเรามานั่งท้อหลายอย่างแล้วได้ข้อคิดจากโยมหลายคนนะ โยมเขาบอกว่าแกบอกว่าเนี่ยทําทุ่มทําไปทั้งหมดเนี่ยได้คนเดียวโยมก็พอใจแค่คนเดียวแค่นั้นแหละว่างั้นเราบอกอออืืโยมก็ยังคิดอย่างนั้นไดเอาอวะเราสังขานเน่าเน่านี่สังขานมันจะพังอยู่แล้วแล้วลุลกขึ้นมาทํากับเขาบ้างมันได้คอคิดเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาบอกคําสอนเนี่ย เห็นไหมบางทีเนะี่ยเราไม่รู้ว่าความพระธรรมเนี่ยไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่ไหมไม่มีหรอกเพราะเป็นนั่งกันอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือกระแสของขันธาตุยัญนะกระแสของวัตตะมันหมุนไปฉะนั้นถ้าหากว่าวัตตะอันนั้นนะนะตัวขันธาตุยัญชนะอันนั้นจะรู้ว่าธรรมแล้วเปล่งพระธรรมออกมาเนี่ยเป็นศรัทธาลมออกมาเนี่ยพอเข้าสูสโสตวัสสัดใครได้เนี่ยเปล่งมาเถอะจะเป็นเด็กเล็กๆก็เปล่งมาเถอะเป็นกัญยาณมิตรได้ ใช่แต่เรารอแล้วรอเล่าเนี่ยเราจะหาคำพูดที่เปล่งออกมาจากขันธาตอายตนะอันเนี้ยเพราะเป็นไปกับพระธรรมคำสอนเนี่ยนา น, านๆกว่าจะได้ประสบพบเนี่ยนี่ทำไงใช่ไหมแล้วปัญญาของเรามันแยกยากไงอย่างที่บอกระหว่างผิดกับถูกเนี่ยระดับที่เรามีพื้นฐานแค่นี้จริงไหมยอมมันมันแยกยากนั้นตรงนี้ก็คือให้เข้าใจในเรื่องของคำว่าอายตนะที่เราออกแา คุคืออายะตนาไม่ได้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เพราะตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัววตตะมองเห็นนะเป็นตัววัตตะก็คือไม่พ้นจากขันไม่พ้นจากธาตุไม่พ้นจากอยายะตนะประการต่อไปก็คือสัตววาฏสัตตวาฏมิจเจตเนาะโอ้สัตวสตวาฏเผอิญไม่ได้ไปดูในหลักของถ้าต้องการจับรายละเอียดให้นั่นหน่อยก็ไปดูในดีกาของพระพิธรรมเขาเรียกว่า ในปริเชตีห้าใช่ไหมในชั้นของดีกว่าตรงนี้อาตมาก็จะเอาเท่าที่จาได้นี่นะขยายไปนี่นะในสัตววัตสัตววัตนั้นเจ็ดที่ท่านเรียกว่าวิญญาณนทีติเพราะเป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไมสัตตวัตเก้าใช่ไหก็คือว่าสัตวา 9, ตวาตเก้าเนี่ยพอมันอันเดียวกันกับวิญญาณนาทีตินั่นแหละ ใช่ไมคือถ้าว่าโดยสตาวาสเก้าก็เพิ่มไปอีกสองเป็นเก้าแต่สตาวาสนี่แหละเป็นที่ตั้งของวิญญาณก็เลยเรียกว่าวิญญาณสถิติต้องการอธิบายตรงนี้เป็นที่ตั้งหองวิญญาณเจ็ดเหล่านี้ก็เรียกว่าวิญญาณสถิติเจ็ดหรือเรียกว่าสตาวาสเจ็ดก็ได้นะอันเดียวกันถ้าเพิ่มไปอีกก็เป็นเก้าเป็นสตาวาสเก้า ที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเนาะประเภทแรกเนาะกายต่างสัญญาต่างประเภทที่สองที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายต่างแต่มีสัญญาเหมือนกันหรืออย่างเดียวกันเนาะเดี๋ยวสัญญานี่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของนามธรรมนะคำว่าสัญญาเนี่ยนะเป็นชื่อของนามธรรมจําไว้ทั้งหมดสามที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน สี่ที่อยู่ของสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันนะและต่อไปก็นับอะไรอรูปเลยอรูปอีกสามอาทาสานจายตนะวิญญาณนันจายตนะอากินจัญญายตนะเลยเรียกว่าวิญญาณนาทีที่เจ็ดหรือเรียกว่าสตาวาเจ็เลยนี่นะทีนี้เบื้องต่ำในสตาวในวิญญาณนาทีที่เจ็ดเนี่ยสตาวาชื่อว่า นานาตตกายามนานะมีกายต่างนานาตตาโยเอตังเอเตสังเนี่ยแปลว่ากายของสัตว์นี้ต่างกันนานาตนาณานาโตกายโเอเตสังเนี่ยนะกายต่างกันของสัตว์เหล่านั้นชื่อว่านานาตตสัญญโนนานาตตสัญญาเอเตสังอธิเขาบอกว่าสัญญาต่างกันของสัตว์เหล่านี้มีอยู่ท่านบอกว่า มนุษย์ทั้งหมดเทวดาชั้นกามเมวจรหกชั้นแล้ววนิปาติเปตบางจำพวกเรียกว่ามีมีกายต่างแล้วก็มีสัญญาต่างเนะมีอยู่หกชั้นนะถ้ากาในเทวภูมิหกแล้วพวกวินิบาไอพวกวินิปาติกะพวกบางเหล่านี่นะพวกนี้กายต่างสัญญาต่าง มนุษย์อัหาประมาณไม่ได้ในจั ก, กรวาลหาประมาณไม่ได้เลยทีเนี้ยจั ก, กรวาล น, นี้นับได้ไม่มีเท่าไหร่มนุษย์นับได้ไ ม, มีกี่มีกี่จั ก, กรวาลมนุษย์มีเป็นแสนโกจั ก, กรวาลเนี่ย